ถึงอย่างนั้นแม้กระนั้นหรือถึงอย่างนั้นร่างกายของข้าพระองค์เนี่ยประดุดหนักเนี่ยอึ้งเหมือนกับร่างกายนี่หนักเหลือเกินทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแขกข้าพระองค์เนี่ยนะเอาก็คนโศกศัตรูจะเป็นนึกถึงอะไรได้มันก็เคยโศกไหมล่ะเคยมีเรื่องหนักใจสุดๆไหมนะมันจะมีเรื่องอะไรหนักใจเท่ากับแบบอย่างผ้าโนนเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นที่ท่านหนักใจเท่ากับเรื่องพระพุทธเจ้าจับปริ้นิพานเรื่องนี้ท่านหนักใจที่สุดเนี่ยนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งแม้แต่ตอนที่พระนางโคตมีลาปรินิผ่านพระนนยังร้องให้เลยร้องให้ว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็จะไปเหมือนกันเนี่ยนะท่านเสียใจมากแต่จริงอ่ะพระนนกับพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันเนี่ยนะแต่ว่าดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยงานหนักกว่าเยอะเนี่ยนะงานหนักมากทั้นพระองค์ก็จะดูแลก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะสำหรับแต่พระนนท่านก็ยังแข็งแรงนะเพราะท่านอยู่ต่ออีก40ปีนะอยู่ต่ออีกได้ตั้ง40ปีเนี่ยนะ ก็ตามว่ามีบุญมากเด็ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอเห็นพระพุทธเจ้าป่วยแล้วก็แม้ร่างกายเนี่ยหนักไปหมดทิศก็ไม่ปรากฏทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งเลยนะธรรมะเนี่ยจาได้หมดแต่มันคิดอะไรไม่ออกอิทธิปิโสพระว า, ารหังสามมาเนี่ยว่าได้อะแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงไม่รู้อะจําได้แต่อิทธิปิโสเป็นต้นจําคํำส น, นี่จําได้หมดสาธยายได้หมดนะแต่คิดอะไรไม่เป็นกลายเป็นว่าอะไรนะ เหมือนกับคิดคนคิดอะไรไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นบอกว่าธรรมทั้งหลายก็ไม่แจมแจ้งแก่ข้าพระองค์ทําไมอะ่ะก็เพราะพระอาการทรงพระประชวนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าข้าพระองค์ก็ได้มีความเบาใจบางประการว่าตราบเท่าที่พระองค์ยังไม่ทรงปราลบภิกษุสงฆ์แล้วทรงมีพระดํารัสอย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไม่เสด็จดับขันทปรินิพานพระเจ้าค่า ถ้าพระองค์ยังไม่ตรัสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับคำบอกลาเนี่ยนะเหมือนกับคำบอกลาบอกเงื่อนบอกอะไรลึกๆอะ่ะพระองค์คงไม่ประนิพนานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอ น, นุนก็ภิกษุสงฆ์ยังหวังอะไรในเราตถาคตรแล้วนะจะมาหวังอะไรแล้วว่งั้นนะ่นะดูก่อนอ น, อ น, นุนต่คาคตไม่ได้มีกรรมมืออาจารย์ไม่มีข้อปิดบังซ่อนเร้นหรอกในธรรมทั้งหลาย ในอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอริยสัจเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยไม่มีเลยดูก่อนอนอนลผู้ใดพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าฉันเนี่ยจักบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็ดีหรือว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยพึงยกย่องแต่ฉันอย่างนี้ก็ดีดูก่อนอนอนลแน่นอนผู้นั้นพึงปรารบภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยคาบางประการ คือหมายคขาว่าคนที่ต้องการรักษาอํานาจของตัวเองให้มั่นคงให้ยืนยาวให้เป็นที่ยอมรับตลอดกาลและตลอดไปบุคคลเช่นนี้แหละมันจะต้องมีซ่อนเงื่อนซ่อนปอมเอาไว้สักอย่างหนึ่งเพื่ออะไรกระไม้เด็ดเดี๋ยวถ้าเขารู้ไปหมดเดี๋ยวเขารู้เท่าเราเดี๋ยวเขาจะเลิกนับถือเราไม่ไม่เราต้องเก็บไว้สักหน่อยหนึ่งะนะใครว่าเก็บยอดเอาไว้อะไรเนี่ยใครว่าไม่ปล่อยทั้งหมดอะ่ะพระองค์บอกไม่มีหรอกคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องมีอํานาจว่า ฉันนี่แหละจักปกครองสงฆ์หรือสงฆ์ต้องยกย่องฉันถ้าอย่างเงี้ยมีลับมีนอกมีในแน่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะห่วงอำนาจใช่หหวงอำนาจดูก่อนอ น, นุนตถาคตไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราแลจัดบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องเราตถาคต พระองค์ไม่ได้ต้องการตรงนั้นเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ต้องการาเออเนี่ยเราจะแหม่ต้องมีอำนาจในการบริหารตลอดไปหรือว่าสงเนี่ยจะต้องยกย่องเราเท่านั้นอะไรงี้ยนะพระองค์ไม่มีความคิดแบบนี้เลยดูก่อนอ น, นุนตะถาคตนั้นยังจักปลารบสง์แล้วกล่าวถ้อยคําอะไรๆคราวเดียวดูก่อนอ น, นุนก็บัตรนี้ เราตถาคตแก่เท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลำดับวัยของตถาคตกำลังดำเนินเข้าไปเป็น80ปีอยู่เรียกว่าย่างเข้าสู่อายุ80แล้วเนี่ยนะแล้วก็ปีนี้เดียวกันเนี่ยเป็นสูตรที่พระองค์แสดงมหาสีหนาสูตรเนี่ยนะมหาสีหนาสูต ร, เรีเราเรียนในมัชฌิมนิกายมหาสีหนาสูตรเนี่ยก็จะถึงพระองค์ก็เปรียบร่างกายของพระองค์ว่าดูก่อนอนอนต์ เกวียนคร่ำคร่าเดินไปได้ด้วยการแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดแกเรียกว่าต้องดามต้องอะไรนะเหมือนกับคนกระดูกหกักก็ต้องคอยดามไม่ตลอดลนะนะดูก่อนอ น, อนุนร่างกายของตถาคต ด, ดําเนินไปได้ก็ด้วยการซ่อมแซมเหมือนการแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้นนั่นแหลดูก่อนอ น, อนุนเหมือนว่าต้องเข้าเฟือกอยู่ตลอดนะทั้งเรื่องนะ ก็ต้องแบบต้องคาดหลังเอาไว้ตลอดเง้ยน่ะนะมันปวดเมื่อยอะไรงนะี้ยต้องแบบรัดอังรัดหลัง ร, ร, ร, รัดเอวเอาไว้นั้นจะต้องดามไว้ตลอดเลยแหละดูก่อนอ น, อนุนสมหิใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิหานิมิตไม่ได้อยู่เพราะไม่มนสิการนิมิตทั้งปวงเจโตสมาธิหานิมิตไม่ได้นี่หมายถึงอะไรหมายถึงการเข้าพระสมาบัติ เข้าอรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะเพราะไม่ใส่ใจในไม่มนสิการรูปนิมิตคือรูปนิมิตคือเวทนานิมิตคือสัญญานิมิตคือสังขารและนิมิตคือวิญญาณมันเจโตสมาธิเนี่ยไม่มีนิมิตแห่งสังขารธรรมไม่มีนิมิตแห่งความเพียงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเพราะมนสิการพระนิพพานเนี่ยนะอยู่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะไม่มนสิการนิมิตทั้งปวงเพราะเวทนาบางอย่างดับไป ในสมัยนั้นร่างกายของตถาคตมีความพาสุกอย่างยิ่งความสุขที่แท้จริงของพระองค์ก็คือสุขตอนไหนสุขตอนที่พระองค์เข้าพระลาสมาบัติแต่ออกจากพระลาสมาบัติเนี่ยเจ็บปวดก็แปลว่าเหมือนจะไข้ขึ้นอยู่ตลอดลนะเหมือนไข้ขึ้นอยู่ตลอดเลยแหล ะ, ละนะก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะี่นะทรงทรมานพระองค์เองเพื่อที่จะทรงเคราะห์แก่สัตว์โลกนะนะก็ต้องทนเจ็บป่วยเนี่ยนะทนเจ็บป่วยเพื่อใคร ใครนอนเนี่ยนะดูว่าจะเพื่อสําเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยสำเร็จแล้วล่ะก็ดูอีกหลายท่านนะจะเป็นยังไงด้วยเหตุนั้นแหละอ น, อนนท์เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นสาระอยู่เถิด น, นะมาสู่เนี่ยสำคัญนะบอกให้เอาพึ่งตัวเองนะเกาะถ้าจะเกาะจริงก็ต้องเกาะตัวเองถ้าจะพึ่งก็ทุ่งต้องพึ่งตัวเองอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นเกาะเลยเพราะฉะนั้น จงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นที่พึ่งเลยให้เอาตัวเองเป็นหลักนะแล้วให้เอาธรรมะให้เอาเอาตัวเองและเอาธรรมะเป็นหลักนะตนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นเองท่านเกาะก็เกาะไว้ในสติปัฏฐานนะดูก่อนอนนลก็ภิกษุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสาระอยู่ไม่มีอย่างอื่นเป็นสาระ เป็นผู้มีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นสาระอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนอนุนภิกสุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีส <au> <co> ัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกรรจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติการจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนอ น, นุนภิกษุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระ เป็นผู้มีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นสารณะอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะด้วยอาการอย่างนี้แหลดูก่อนอนุ์เพราะว่าในกาลบัตินี้ก็ดีโดยการที่ตถาคตล่วงลับไปแล้วก็ดีภิกษุพวกใดพวกหนึ่งจกเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะจกมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นสารณะอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะ ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใครในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเหล่านี้นั้นจกเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดนะใครก็ตามที่ปฏิบัติเอาเอาตัวเองเนี่ยเอาตนตนในที่นี้หมายถึงอะไรเอาตนคือสติปัฏฐานหมายถึงสติปัฏฐานนะอัตตะสัมมาปณิทตตั้งตนไว้ชอบหรือมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารนะหมายถึงเอามักมีองค์แปดเป็นหลักตนในที่นี้หมายถึงขณะที่ดําเนินไปตาม อริยมรตปฏิบัติตามสติปฐานถ้าถือเอาตรงนี้เป็นหลักใครในอธิศีลปศิขาที่จิตสิกขาอธิบัญญาศิกขาเขาจากเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดนีนะถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมในจํานวนพระสงฆ์ทั้งหลายคําว่าพระองค์เนี่ยนะบอกว่าอัตตาทีปะเนี่ยนะอัตตาทีปาเนี่ยแปลว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นเกาะนี่เป็นอย่างไรเนี่ยนะหน้าสามรอยแปดิบเอ็ดอัตตะทีปาความว่าพวกเธอจงทําตนให้เป็นที่พึ่งอาศัยเหมือนอะไรเหมือนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเถิดเคย อ, อยู่กลางทะเลไหมถ้าอยู่กลางทะเลพึ่งอะไรบอกพึ่งเกาะฉันใดเพราะฉะนั้นให้เอาตัวเองเป็นเกาะเหมือนกับเกาะอยู่ในทะเลอย่างนั้นนะบทว่าอัตตสารณาจงเป็นผู้มีตนเป็นคติคือที่ไปถ้าจะไปก็ไปด้วยลําพังตนนะ อย่ามีอย่างอื่นเป็นคติคือไปต้องไปด้วยตัวเองนะแม้ธรรมธีปะธรรมสารนาก็ลักษณะเดียวกันแต่คาว่าตนในที่นี้หมายถึงสติปัฏฐานสี่นะไม่ได้หมายถึงเอาอะไรตนเอาตอนไหนตอนมาณนะเกิดก็เอาแต่ตอนอย่างนั้นหรือเปล่านะตอนที่กาลังําลังของความโกรธครอบงำก็เอานี่แหละตนนะหรือตอนที่กาลัง่วงซึมนี่แหละตนเอาตอนท่าแท้ของตอนเนี่ยคืออะไร มันต้องเอาตอนที่ขณะเป็นไปกับคําสอนขณะที่ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานเอาขณะนั้นเป็นประมาณบอกเอาใครเป็นประมาณบอกเอาใจตนเป็นประมาณใจไหนนาะเนี่ยนะวันหนึ่งคิดตั้งหลายสิบเรื่องแล้วเอาใจประเภทไหนเอาใจที่คิดเรื่องอะไรเป็นสารณะพันจะต้องยึดมั่นในหลักการให้มันดีๆไม่อย่างนั้นนี่ก็พลาดอย่างมหาสาลเนี่ยนะ มันบางคนเนี่ยเอาไปเอามากลายเป็นว่าเชื่อแต่ใจตัวเองโดยที่มีวินิจฉัยว่าใจที่ตัวเองเชื่อใจตัวเองเนี่ยมันใจชนิดไหนนะใจโลภะหรือเปล่าอยู่ใจโลภะแปดวงหรือเปล่าใจโทสะสองหรือใจโมหะสองหรือใจที่เป็นมหากุศลมหากุศลมีตั้ง8แล้วเอามหากุศลกลุ่มไหนเป็นหลักเนี่ยนะหรือเอาสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสสนากลุ่มไหนก็ต้องคัดสรรเลือกเฟ้นอยู่นั่นแหละ จนกว่าจะชัดเจนไม่อย่างนั้นเอาแต่ใจเข้าว่าใจไหนเนาะเนี่ยนะเราขอให้ใจที่เป็นสติปัฏฐานเถอะเนี่ยนะใจสติปัฏฐานก็ใจที่เป็นสติปัฏฐานใจที่เป็นอนุปัสนาญาณก็โอเคนะเพราะว่าจะช่วยทำให้พ้นจากทุกได้ดูก่อนอนนพิเหล่าภิกษุของเรานั้นตัดการประกอบด้วยความสูงสุดทั้งหมดอย่างนี้ว่า พวกภิกษุเหล่านี้ก็สูงสุดเหล่านั้นก็สูงสุดแล้วจักอยู่ในธรรมะอันเลิศอย่างยิ่งคืออยู่ในสภาวะสูงสุดได้แก่จักมีธรรมะอันสูงสุดอย่างยิ่งสําหรับภิกษุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภิสูุเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ใคร่การศึกษาใคร่อะไรใคร่อธิศีและสิกขาใคร่อธิ จ, จิตตสิกขาไคร่อธิปัญญาสิกขาพิสูจเหล่าใดก็ตามที่มีใจอยู่ในสิกขาสามพิสูุเหล่านั้นทั้งหมด มีสติปัฏฐานสี่เป็นโคจรมีสติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าโคจรท่องเที่ยวไปด้วยสติปัฏฐานสีเพราะฉะนั้นคุ ก, ท, กทุกความคิดไหลไปตามสติปัฏฐานสี่ดำรงอยู่ด้วยสติปัฏฐานสี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนต้องถือหลักการให้ดีนะพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมอยู่พิจารณาตัวนั้นหมายถึงอนุ ป, ปัสนาเจตเนี่ยนะ พิจารณาหมายถึงกายเยกายานุปัสสีอนุปัสนาทั้งหลายก็คืออนุปัสนาเจ็วิหารติอนุปัสนาตัวนี้ต้องอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนองค์มครคที่มาสนับสนุนอ น, อนุปัสนาก็คือมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยนะมีความเพียรสามตัวนี้ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิเป็นตัวอุปธรรมค้ำจุนในการปฏิบัติล ะ, ล ะ, ละนนเนี่ยนะละวิไนวิไนเนี่ยตะทางข้าวินัยกับ أ, วิขัมพนะวินยัยวินัยแปลว่ากําจัดกําจัดอะไรกําจัดอภิชาและโทโมนัสอภิชาคือกรมฉันทะโทโมนัสคือพยาบาทอภิชาคือโลภะโทโมนัสคือโทสะเพราะฉะนั้นก็เจริญอนุปัสนาเจพิจรารณากายเวทนาจิตธรรมก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละเพื่อละ ละเนี่ยน ะ, ะละด้วยตะทางค่ะประธารวิขัมปณะประหนานละด้วยสมถะและวิปัสนาละอะไรบอกว่าละอภิชาและโทมนัตกามชฉันทานิวรพยาบาทนิวรหรือว่าละสมุทัยสัตว์ละบาปละอกุโสลธรรมทั้งหลายผู้ใดที่โคจรไปในสติปฐานสี่จักมีธรรมอันเลิศ น, นะธรรมอันเลิศคืออะไรคืออรหัตตผลอันเลิศถ้ายังยินดีในการเจริญสติปทานอยู่ ความเพียร น, นั้นอันใดความเพียรอันนั้นก็เป็นสัมมประธานเนี่ยน ะ, ะสัมมประธานเหล่าใดที่เป็นบาดให้ตรัสรู้สัมมประธานเหล่านั้นเป็นวิริยุทธิบาทเนี่ยนะปัญญาที่วิจัยเลือกเฟ้นเลือกฟันก็เป็นวิมังสิที่บาทการที่มีจิตใจตั้งมั่นในการเจริญก็เป็น จิตติดทบาต ท, ทำด้วยศรัทธาอย่างแพ้จริงก็เป็นฉันทิธิบาทเนี่ยนะอิธิบาทสอันใดอันนั้นก็เป็นการเจริญอินรี่ห้าพละห้าโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดถ้ายังประชุมศึกษาสามยังประชุมในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้โคจรไปในโพธิปัธิยธรรมอย่างนี้ได้ เขาเหล่านั้นก็จะได้เข้าถึงธรรมอันเลิศคืออรหัตผลอันเลิศเนี่ยนะนผู้ใดที่ปฏิบัติไปตามโพธิปัจิะธรรมตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่เพ่งถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้นั่นเองอส่วนหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังนั้นจากนั้นก็ออกพรรษาหลังจากนั้นก็ออกพรรษา รายละเอียดตอนหลังออกพรรษาเนี่ยเดี๋ยวก็จะกล่าวอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนก็ได้จะกล่าวถึงภาษาธีบุตรปรินิพานเหตุการณ์หลังออกพรรษาไปแล้ว